ต่ น, นอนมาก็ตั้งใจไว้วันนี้จะไม่ทาชั่วทางกายทางวาจากลางวันจะกินข้าวตั้งใจจะไม่ทาชั่วทางกายทางวาจาทำ ง, ง่ายมากเลยยกตัวอย่างนะเราเห็นจะไปซื้ออาหารกินเห็นคนหนึ่งมาอยู่ข้างหลังเรานะถ้าทางมันจ้องสงว่า ม, มันอยากกินไข่พะโลเหลือลูกสุดท้ายเราก็ไม่ชอบนะแต่มันไส้มันไปซื้อสะกก่อนอะไรเงี้ยนะอกุศลมันเกิดง่าย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 รู้การจุติอุบัติของสัตว์ร ะ, ะละรึกชาติได้ละล้างกิเลสได้ได้วิชาสามมี60องค์จาก500มี60ที่ได้วิชาสามวิชาสามเนี่ยต้องอาศัยสมาธิใส่ฌานอีก60องค์ได้อภิญยาหกอภินยาหกเนี่ยต้องได้ฌานอภิญยาหนึ่งสอี่ห้า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 เออผมฝึกแบบใช้ดูลมหายใจเอาเราเราดูเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมเราก็ต้องดูดูลมหายใจถ้าเราใช้ลมหายใจเป็นฐานเนี่ยเราดูลมหายใจทั้งวันเลยยกเว้นสองอันยกเว้น<ช>ตอนที่ทำงานที่ต้องคิดกับตอนที่นอนหลับมีเว้นให้นะใจดีเห็นไหมอนอกกนั้นต้องดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกนี้นะอ่ะว่าไป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 รู้สึกเวลาทุบเยอะๆเนี่ยเดินจงกรมจะไม่ค่อยไหวต้องนั่งสมาธิอะค่ะ<ด>ในความรู้สึกตายนะคะว่าเออไม่งั้นสติมันมันไม่ไหว <laughs> เดินจงกรมเ ร, เรถนัด น, นั่งเราก็นั่งหล ว, ลวงพ่อไม่ถนัดเดินนะตั้งแต่ฝึกทีแรกถนัด<อ>นั่งเนี่ยนั่งเรามีสติเราก็นั่งเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันน ะ, ะต่อไปใครจะส่งกันบ้านเชิญยกมือเอาหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งเชิญ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 เวลารู้ตัวบางทีก็ทุกมันก็บีบนิดหน่อยครับบแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตอนตอนเช้าก็ก่อนนอนก็จดบนนั่งสมาธิครับวันนี้ด เ, เดี๋ยวจะขอให้ลูกชายส่งปรอยอายุเท่าไหรนะ่ละเก้าวขวบครับเก้าขวบมากไปวันนี้ผมเขาแหลมดีฮะว่าไปว่าไงได้ดูจิตบา้างยังก็ก็นิดหน่อยครับตื่นเต้นไหม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 ยุบพองได้ไหมเจ้าคะจะจะหลับไปนะเจ้าคะถูกต้องนะเจ้าคะถูกต้องแล้วกานมัสการเจ้าค่ะเกิดเราตายไปตอนนั้นแล้วเราก็กุศลอยู่ล้นวนเลยนะดีที่สุดเลยเจ้าค่ะเรียว่าไม่ประมาทเจ้าค่ะ5้าบดกราบนมัสการค่ะครบหนึ่งปีแล้วค่ะปีมหาพระจารย์เหรอเราได้อะไรบ้างล่ะตั้งปีหนึ่งตั้งปีเห็นกิเลส่อยไหมบ่อยค่ะนะเห็นเห็นความทุกข์มันน้อยลงยัง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 หางานทําไปทํางานไปเรื่อยๆพอเหนื่อยขึ้นมานะมันไม่จงใจดูนะค่อยๆรู้สึกทำงานไปของแม่ชีนี่ดูกายใช่ไหมคะดูกายไปน้มัสการ์แล้วคีโมโหไหมขี้โมโหค่ะออให้แถมอีกตัวหนึ่งให้ดูโมโหเวลาเราทำงานแล้วแม่ชีอื่นไม่ค่อยทำเราโมโหค่ะนะเรารู้ทันว่าโมโหดูอย่างเนี้ย นะแล้วเวลาที่เหลือดูกายไปนะดูจิตดูออกตัวเดียวคือตัวโมโหร้อยแปดบห้าเพราะโมโหแกโดดเด่นตัวนี้ทำโมโหเราะเดี๋ยวแม่ชีโมโหนะร8อยปดสบห้านมสการค่ะมาถึงจุดที่ว่าเริ่มงงและวว่าจะทำทำอะไรดูอะไรนี่เป็นจุดอ่อน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 นะดูอย่างนี้นะแต่พอมันขยับพอเราไปเห็นนะี่ยถ้าเราไปตรึงไว้เนะี่ยใจมันจะแน่นแต่ถ้าเราไม่ได้ตรึงเราสักว่ารู้ว่าเห็นนะใจมันจะโปร่งขึ้นมาเป็นอย่างที่เหมือนที่หลวงพ่อเทศเมื่อตอนช้าไหมคะว่าเวลา ม, มันใจมันละล้าละลังอยากจะรู้ว่ามันกําลังรู้อะไระเป็นอะไระเหตุจากอะไรทไําไมมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะใช่เราก็แค่รู้ทันแลวว่ามันอยากรู้มันอยากค้นคว้านะ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 หลูกบุมั่นะค่ะที่โยนหลวงตามหาคุณ <ห là. S 2> ท่านเขียนไว้ทีนี้มีอย่างนึงในขณะที่เดินจงกรมอ่ะเป็นเราเราก็ปิ๊งขึ้นมาค่ะหนูงพ่อว่าเออ่เราจะพยายามไม่ได้เลย <ห là. S 2> แม้ทําอะไรนิดนึงมันก็สนองกิเลส <ห là. S 2> นิดนึงก็ไม่ได้อ่ะค่ะแล้วก็มันเหมือนจะมันเหมือนความรู้เนี่ยมันเหมือนจะหนูมีความรู้สึกว่ามันมันที่สุดแล้วอ่ะในความรู้สึกของหนูนะคะ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 ไม่น่าจะมโมโหหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่จิตมันก็บอกว่าขณะหนึ่งในปัจจุบันเนี้ยเป็นขณะที่สําคัญที่สุดทําอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะหลวมีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงไหมคะหลวงพ่อของกันบ้านอาจารไปตามธรรมชาติน ะ, ะแต่ระวังอันนึงจิตจะต้องถึงฐานด้วยนะจิตขณะนี้ถึงไหมขณะนี้ไม่ถึงนะคะตื่นเต้นนะอยู่บ้านถึงไหมอยู่บ้านน่าจะถึงนะคะ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 ต่างคนต่างก็จะช่วยกันดูค่ะคือต้องขออนุญาตนะคะต่างคนต่างว่าถล่มไปแล้วนะ<อ>าวไาดูคนอื่นล่ะโกรธรู้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันแบบเป็นไปนหมดเลยค่ะ บ, บอกสิ บ, บอกว่าหลวงพ่อสั่งมานะว่าให้ดูตัวเอง <laughs> ไปเห็นกิเลสคนอื่นเพิ่มกิเลสของเราค่ะ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 เหตุการณ์บ้างเหมือนกันจาค่ะช่างเป็นตัวเหตุการณ์นะมันอยู่ข้างบ้านเราปะ่ะไม่ค่ะไก่เอ อ, เ อ, อจะเป็นเวลาขับรถจะต้องผ่านจงค่ะแต่ก็พยายามที่จะถ้ามีเวลาก็จะพยายามทำลูกแบบจาค่ะ เ, เ, เวลาขับรถผ่านแล้วก็ภาวนาน ะ, จะเจริญมรณสติไป <laughs> ปลอดภัยที่สุดจค่ะนะเห็นไหมชีวิตเป็นของไม่แน่นอนใช่จค่ะพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจงค่ะ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 ะะแล้วเวลาขับรถผ่านก็พิจารณาความตายไว้ร้อยสิบหกแม้พระพุทธเจา้าสอนธรรมะเราไว้เยอะแยะนะใช้ได้ทุกสถานการณ์เลย <c oughs> โอ้วันนี้พระเยอะมากกา <c oughs> รสมัสการกับหลวงพอ่งงพอส่งกันบ้านรอบสามเดือนแล้ววันนี้เป็นวั น, วนครบสองปีที่มาที่วัด น, นี้นะครับอมอมเมวานนี้มาจุดประสงค์ต้องการบอกเป็นพยานว่าในสองปีที่ผ่านมา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 เรารู้ว่าเนี่ยเป็แค่สมมุติบัญญัติเราก็มารู้ตัวจริงคือรู้กายรู้ใจของเราด้วยไม่ได้ปฏิเสธสมมุตินะครับต้องอาศัยสมมุติแหละสี่สิบสามคนสุดท้ายนมัตการหลวงพ่อค่ะคือเพิ่งมาเป็นครั้งแรกอะค่ะจิตเหมือ น, นเดิมไหมไม่เหมือนเดิมตื่นเต้นไม่เหมือนอเนาะค่ะนะมันใจมันค่อยๆเ อ, อว่าไป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 แล้วจะถามเรื่องศีลหน่อย啊คะ่ะเพราะ<嗯>ว่าเรื่องศีลห้าค่ะ<嗯>หนูกําลังคิดไม่แน่ใจว่าจะบกพร่องเรื่องศีลข้อสีหรือเปล่าเพราะที่ชอบพูดเล่น<嗯>ออําเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<嗯>อย่างนี้คือสมมติว่าอําเล่นเล่นถึงไม่ใช่เป็นความจรงิงแต่ว่าเราเป็นอําเล่นเล่นอนี้ก็ถือว่าผิดศีลใช่ไหมคะก็แค่ด่างพร้อยด่างพร้อยใช่ไหม<อ>แล้วอย่างนี้จะทําให้จิตมันขุนมัวแล้วก็จิตไม่นขนม อ, อืมค่ะดังนั้นจิตเป็นขนมก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่